สวัสดีเราท่านทัน้งหลายพวกเราพากันเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมคำสอนแล้วก็มีชีวิตมาอยู่ถึงวันนี้ท่านกล่าวว่ามีลาบเนี่กว่า การที่จะเป็นเช่นนี้ได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากกิจโฉมนุสสาปติลาภูการได้เป็นมนุษย์มันเป็นลาภอย่างยิ่งกิจฉโฉบุทธธานมุปปโดการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ยากเหลือเกินกิจฉังมัจจานชีวิตตัง การจะมีชีวิตมาถึงวันนี้ก็ยากแท้กิจฉังธรรมะสวรรค์เราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมก็เป็นสิ่งยากแต่ว่าบัดนี้ความเจริญของโลกได้เจริญทําให้สิ่งยากยากนั้นกลายเป็นสิ่งง่ายอย่างการที่อยากจะฟังธรรมเราเปิดอินเทอร์เน็ตหรือเราเปิด ออวิทยุหรือเราเปิดโทรทัศน์เราก็สามารถฟังทำได้หรือเราจะไปที่วัดก็มีมากมายไกลกองหรือจะไปหาท่านสัตบุรุษก็พอหาได้นี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แต่ก่อนหากันยากนักแต่เดี๋ยวนี้ก็หากันได้ง่ายในขณะเดียวกัน ชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ปลายหอบปลายดาบเขาเรียก่าอย่างนั้นไม่รู้ความตายมันจะมาถึงเมื่อไรมันเป็นสิ่งที่เราเดามันไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราอุสามีลมหายใจมาจนกระทั่งถึงวันนี้นั้นก็จึงถือว่าเป็นโชคเป็นลาบและทีนี้เราหายใจมาถึงวันนี้ เราได้ทำอะไรบ้างนี่เป็นปัญหาสำคัญถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ฟังธรรมแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็มีชีวิตที่ศูนย์เปล่าทำไมจึงเรียกว่ามีชีวิตที่ศูนย์เปล่าเพราะว่ามันไม่ได้อะไรจิตไม้จิตมือไปเลยคนเราตายแล้วไม่ใช่ว่าตายไปเปล่าๆนะ ร่างกายตายไปก็จริงแต่ใจไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเราไปเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมและไม่ได้สมบูรณ์ทางการกุศลเราก็มือเปล่าไปอะ่ะเมื่อเมื่อเปล่าไปมันก็เรียกว่าเสียประโยชน์ที่เราอุตส่าห์เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ลาบอย่างดีแล้วมีลาบอย่างดีแล้วแต่เราก็ลืมไปเสีย ไปทำแสงงานส่วนตัวไปทำแจกิจอะไรสารพัดทำจนกระทั่งมีกันมีทองมีข้าวมีของ เ, ออเรียกว่าเป็นแสรีมหาเศรษฐีแล้วก็ยิ่งลืมใหญ่ไม่หันหน้าเข้าวัดไม่หันหน้าจำศีลฟังธรรมไม่หันหน้าก็มาปฏิบัติสมาธิภาวนา หลงว่าเราเนี่ยมีเงินทองมากโอ้เงินทองมากมายแต่หาได้รู้ไหมว่าเงินทองเหล่านั้นเอาไปไม่ได้ถ้าหากว่าเรายังทำจิตใจนี่ให้ผูกพันหรือว่ามีอุปทานในทรัพย์สินของเราเนี่ยตายไปมันไปเกิดเป็นเ ป, นเ ป, นปรตยิ่งแย่กันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ถือว่าข้าพเจ้ามียอดสามราศ์สุง เขาพเจ้าใหญ่เขาไปเจ้าใหญโตสรพัดมีคนนับหน้าถือตามีศัก์ใหญ่แล้วก็มาหลงจนแล้วก็ไม่เข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ไม่ปฏิบัติสมาธิภาวนาแม้ว่ายศสามัรดาศัก์สูงยศสามบรรดาศักด์ก็เอาไปไม่ได้จะเอาตามไปได้ยังไง ตายไปแล้วก็เผาจ้อยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาด้วยยากนิจองพากันทำเตือนถ้าพระเจ้าได้เตือนสติพวกเราไว้ว่าอาเชวิกิจจะมาตัดปังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลรีบทำเสียในวันนี้ทีเดียวโกยัญญะมรนังสุเว ใครเล่าจะรู้จักว่าความตายจะมาถึงเราวันพรุ่งนี้นฮีโนสังคารันเจนะมหาเสเนมัจจุนาพระยามัจจุราชมัมีอำนาจเหนือใดทั้งสิน้นเพราะว่าพระยามัจจุราชนั้นมันไม่ได้เลือกคนคนนั้นเป็นคนมียอสูงนะคนนั้นมีเงินมากนะฉันไม่กล้าจับเขไม่กล้าจัดการให้ตายไม่มีพระยามัจจุราชไม่ได้กลัว ไม่ว่าคนยากคนจนก็เหมือกันฉมนเป็นคนยากคนจนอย่าฆ่าชนะอย่าทำลายชันนะพยามัจุราชไม่ฟังเพราะฉะนั้น่ะเราท่านทั้งหลายสติเรายังมีอยู่เราอย่าพากันไปพากันหลงพาะกันหลงเมือ่อหลงกันไปอ่ะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพระไม่ว่าคนนั้นจะเป็นโยมทั้งพระทั้งโยมประมาทได้ด้วยกันทั้งนั้น บางทีเป็นมพระบวชในพุทธศาสนาโอกาสดีที่จะไปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่กขี้เกียจขี้คันซะนี่แล้วก็ไม่ได้ทำมันก็เลยไม่ได้จะมีการพัฒนาให้ความดีนั้นมีความมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นก็รบกวนเพหาาการงานมากเกินไปไม่สามารถที่จะทำบุทานการกุศล สมาธิภาวนาได้อย่างนี้นี่เกิดจากว่าเข้าใจผิดคิดผิดเพราะเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายปรมาเณนะสัมปาเดสาติพระพุทธเจ้าได้ตรัสไปก่อนที่พระองค์จะใส่ใจจับแขนพระปรินิพานว่าอปมาเดนะสัมปาเดสาท่านทั้งหลายจงยงันความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอร์นี่เป็นปัจจิมวาจา เรียกว่าเป็นสี่เรื่องสำคัญที่จะเตือนพวกเราต้องหลายสวัสดีสาธุ